หมายว่าถ้าเข้าใจอยู่แล้วก็ไม่รู้ชัร้ระว่ายัางไงอีกนะแต่นี่ก็ถือว่าเป็นหลักการ ท, ที่สำคัญมากนี่มาดูอธิษฐานาหาระเลยนะอธิฐานหนหาระนี้หมายถึงวิธีแสดงธรรมโดยสามมันและโดยพิเศษพูดยังไงว่าพูดธรรมดาหรือพูดยังไงแบบพูดแบบพิเศษแบบอะไรนะแบบอะไรนะแบบถ้าไปทานก๋วยเตี๋ยวว่ากันนะธรรมดากับพิเศษใช่ การแสดงธรรมะก็ลักษณะเดียวกันนะพูดธรรมดากับพูดแบบพิเศษจริงๆก็พูดย่อ ก, กับพูดพิสดา น, นั่นแหละถ้าพูดแบบย่อๆก็ถือว่าธรรมดาใช่ไหมเอามาขยายอย่างละเอียดก็ชื่อว่าเป็นพิเศษอพูดพิเศษเหมือนกันท่านน่ะเอกัตตะแปล ว, ว่าทำสามัญน่ะนะเวมะ ต, ตะก็คือพิเศษเหมือนกนะันธรรมะเหล่าใดที่ถูกแสดงโดยสามัญและโดยพิเศษเป็นต้นอันนั้นแหละชื่อว่าอธิฐานนหาระ เป็นการาพูดถึงวิธีการแสดงธรรมโดยสา ม, มัญและโดยพิเศษอย่างอริยศาสตร์มีสประการใช่ไหมอริยศาสตร์มีสี่ประการทุกอริยศาสตรสมุทยัยอริยศาสตรทุขานิโรธอริยศาสตร์แล้วก็ทุกขานิโรธาขามิณิปฏิปทาอริยศาสตร์ทุกขสัจจะเนี่ยนะอีทางทุกขังอริยศาสตร์จังอันนี้เป็นคําสามัญปกติเนี่ยนะเป็นคําธรรมดาแต่ถ้ามาจําแนกโดยพิเศษเป็นยังไงทุกเป็นฉนะัความเกิดก็เป็นทุกข ความแก่ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ความพราดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นตัวทุกข์สรุปว่ารูปก็เป็นทุกข์เวทนาก็เป็นทุกข์สัญญาก็เป็นทุกข์สังขารก็เป็นทุกข์วิญญาณก็เป็นทุกข์การเอาทุกข์มาจําแนกดังนี้แหละเรียกว่าพิเศษจการขยายความนะก็เลยเรียกว่าเวมัตตา เวมะตาก็คือเอามากระจายมาขยายได้แต่บอกว่าทุกอันนี้สามัญคือมันคลุมไปหมดคลุมจะพูดคลุมจากกวนแต่ไม่จำแนกอ น, นะเราเอามาจำแนกการที่พูดแบบธรรมดากับจำแนกอันนี้แหละเรียกว่าเอกตะกับเวมัต์นะความเกิดก็เป็นทุกข์ทุกแปลว่าอะไรนะทุกในที่นี้แปลว่าอะไรทุกขาริยาศัตร์นะหมายถึงอะไรแปลว่าอะไร ทุกขังทุกแปลว่าเลวขังแปลว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรนะง่ายเหมือนฝนตกฟ้าขนองฟ้าผ่าเปลี่ยงแป้งเสร็จแล้วมันก็หายไปไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไอ้ทุกเนี่แปลว่ามันไม่ดีไม่ดีเสร็จแล้วก็มันก็ไม่มีอะไรเหลืออย่างเช่นว่าความเกิดก็เป็นทุกข์นะตอนเกิดก็ทุกข์เต็มทีนะเช่นทุกที่กเกิดทุกในเกิดในนรกทุกเกิดในเปรต ทุกเกิดในเดรัชานเป็นต้นหรือว่าทุกที่เกิดอย่างลงสู่คันเป็นต้นถามว่าพอมานั่งถึงบัดนี้นะเรานึกถึงว่าโอ้โหตอนนั้นทุกมากไ้มทุกมากและตอนนี้มีอะไรเหลือบ้างเหลือแต่ความว่างเปล่าเปรียบเหมือนอะไรเหมือนคนฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรนะไอตอนฝันร้ายมันก็ร้ายจริงๆนั่นแหละมันตื่นขึ้นมามันก็ว่างเปล่าฉันใดทุกทั้งหลายที่มันมันทุกทุกๆุจริงๆอนะเหมือนว่อ้โป่วยไข้จนจะลุกไม่ได้ไข้ขึ้นโอ้โทุกทรมานพอหายไปแล้วไปไหนแล้ว เลือแต่ะตอนนั้นอ่ะเล็วจริงๆริงไมจริงแต่เหลือแต่ความว่างเปล่าก็เลยเรียกว่าทุกข์นี่ยเป็นภาษาของของของคนสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเขาฟังแล้วเขาเข้าใจของเราแปลได้อันเดียวคือความเจ็บปวดคําว่าทุกข์ไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดแต่แปลหมายว่าสิ่งนั้นไม่ดีแล้วก็มีแต่ความว่างเปล่าเนี่ยนะไม่มีอะไรเลยจะว่าสิ่งนั้นไม่มีก็ไม่ได้มีแต่มีแบบอะไรนะ มีแบบความว่างเปลา่ามีแต่ความเลวร้หายในสิ่งนั้นแล้วก็เอาทุกเหล่านี้มาจาแนกนะจำแนกเป็นกี่ทุกเนี่ยจำแนกเยอะนะถ้าสามารถแจกแจกได้อย่างนี้บ่อยๆนะสามารถรู้ความสามัญและก็ความพิเศษถ้าเราเป็นนักกระจายขยายความแบบนี้อริยสัจไม่นานก็จะเห็นได้แล้วนะถ้าพิจารณามันพิจารณาเนี่ยทุกนี้ทุกอันนะอันนี้สามัญใช่ ความเกิดก็เป็นทุกชาติปิทุกขาชร า, าปีทุกขานี่เริ่มแจกให้เป็นพิเศษเนี่ยนะแปลงกลายเป็นสิ่งพิเศษขึ้นพิเศษแตกต่างออกไปขยายออกไปเข้าใจเนื้อหารายละเอียดได้อย่างลึกซึ้งอันนี้แหละเป็นความพิเศษทีนี้สมุทัยสัตว์จะบ้างทุกเป็นชนะทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกคําพูกนี้เหตุให้เกิดทุกอันนี้ก็เป็นคําสามัญ น, น, นะถือว่าเอกตตะก็ธรรมดา ส่วนความหมายพิเศษเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นชนะไหนตัณหาที่ทำให้เกิดในภพใหม่ตัณหาโปโนภวิการเนี่ยนะตัณหาที่ทำให้เกิดในภพใหม่ไอตัวที่ทำให้เกิดในภพใหม่เนี่ยเป็นไปพร้อมด้วยราคามีความยินดีมีความยินดีเพลิดเพลินอย่างยิ่งในภพนั้นนั้นเหตุอันนั้นไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาแล เวภวะตัญหาการเอามาจำเนกอย่างนี้แหละเรียกว่าทำรรพิเศษ น, นะนะตัญหาที่ทำให้เกิดในภพใหม่เป็นไปพร้อมด้วยราคายินดีมีความยินดีอย่างยิ่งในภพนั้นนั้นกล่าวคือการมตันหาภวะตันหาและเวิภวะตัญหาอันนี้เป็นการแสดงโดยพิเศษนั้นทุกขสมุ ท, ทยัยอันนี้เป็นคำสามัญการที่เอามาจำเนกเอามาขยายความ Tunes, ถึงความหลากหลายความแตกต่างต่างๆความเป็นต่างๆของสมุทัยอันนี้ก็เป็นความพิเศษความพิเศษถ้าถ้าดูตามนี้นะว่าหัวข้อเป็นคําสามัญการขยายความเป็นความพิเศษทุกอันนี้เป็นหัวข้อการขยายออกไปได้ก็เป็นความพิเศษคือการขยายความนี้มาดูทุกข์คณิโรธบ้างความดับทุกข์ทุกขคณิโรธความดับทุกข์อันนี้ก็เป็นคําสามัญ ส่วนความพิเศษะความดับทุกเป็นไฉนะความดับอย่างไม่เหลือนะดับอะไรดับตันหาได้อย่างไม่เหลือการสละการสลัดออกความพ้นความไม่ติดอนาลโยเนี่ยนะตันหายะตะเวอาเสสาวิราคานิโรโทเนี่ยนะจาโค ม, มุติอนาลโยพวกนี้ทั้งหมดนี่เป็นเชื่อของ ความดับทุกข์เนี่ยนะความดับตัหาการสลัตันหาสลัดออกจากตันหาหลุดพ้นจากตันหาความไม่ติดด้วยอานาจแห่งตันหา h นั้นการขยายความลักษณะ น, นี้เป็ น, เ ป, นเป็นการแสดงโดยพิเศษเนี่ยนะเป็นเวมัตตะส่วนอริยมรร่ะทุกขนันิโรธคา ม, มินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นะทุกคานี่ราทาขาม่มีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คานี้ก็เป็นคําที่สามัญคำคสามัญทั่วไปส่วนคำพี่ความหมายพิเศษละ่ะคําพูดพิเศษความเป็นพิเศษก็คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่เป็นไฉนะิคืออริยมรตมีองค์แปดเท่านั้นนะเท่านั้นเลยนะแสดงว่าทางอื่นไม่ใช่ทางแห่งทางทางที่ไม่ประกอบไปด้วยองค์8เป็นต้นเนี่ยนะ อันนั้นไม่ใช่ทางเพื่อความดับทุกข์แต่ทางให้ถึงพระนิพพานคืออริยมรกมีองค์แปดเท่านั้นมีอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิการเอามาแจกแจงมรตมีองค์แปอย่างนี้ได้นี้ก็ชื่อว่าเป็นความพิเศษ พิเศษจากคําว่าทุกขานิโรธคามิหนีปฏิปทาแต่จริงๆมันมีย่อยลงไปอีกนะว่าสัมมาทิฐิเนี่ยนี้ชื่อว่าเป็นคำสามัญความรู้ในทุกความรู้ในสมุทัยความรู้ในนิโรธความรู้ในนิโรธขามิหนีปฏิปทาอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นพิเศษออกไปเนี่ยนะไอ้พิเศษอะไรนะสามัญพิเศษสามัญพิเศษก็มีหลายชั้นนะนะเราจะเอาระดับไหนล่ะฟังอันนี้มาดูปกติคําว่ามร คำว่ามักเนี่ยเป็นคำสามัญนะหนทางเนี่ยทางเนี่ยเป็นคำทั่วๆไปแต่ถ้ามาจําแนกอย่างพิเศษทางเป็นไนหนทางไปสู่นรกนี่นะทางไปนรกกว่าทางไม่ใช่หรือทางไปสู่กําเนิดสัตว์เดรัจฉานกว่าเป็นทางทางไปสู่เปรตกว่าเป็นทางทางไปสู่อสุรกายกว่าเป็นทางทางไปสู่สวรรค์ทางไปสู่มนุษย์หรือทางไปสู่พรหมโลกตลอดจนถึงทางแห่งพระนิพพานไอ้คำว่าทางนี่เป็นคําสามัญธรรมดาแล้วทางไหนล่ะนะ อันนี้แหละเป็นความพิเศษการที่สามารถเอาเรื่องทางมาจําแนกเป็นถือว่าเป็นความพิเศษปกติแล้วคาว่าทางเนี่ยนะทางในโลกก็เช่นทางบกทางน้ําและทางอากาศแบ่งออนี่นี่ทางแบบโลกโลกของเราอ่ะนะแต่ว่าทางแบบนี้ก็ในทางธรรมะก็ไม่ได้ให้ความสําคัญความสนใจอะไรมากแต่ให้ความสําคัญทางที่ไปสู่นรกทําายกายวาจาใจเช่นใดเป็นทางไปสู่นรกกายวาจาใจเช่นใดเป็นทางไปสู่เดรัจฉาน กายวาจาใจเช่นใดเป็นทางไปสูขเปรตกายวาจาใจเช่นใดเป็นทางไปสู่อสุรกายกายวาจาใจอย่างไรเป็นทางไปสู่สวรรค์ทั้งที่เป็นกามทั้งที่เป็นอะไรนะทั้งที่เป็นกามกามที่เป็นทิพย์ตรอจนถึงพรหมหรืออรูปพรหมหรือว่าทางอย่างไรข้อปฏิบัติอย่างไรกายวาจาใจเช่นใดทําให้เกิดเป็นมนุษย์กายวาจาใจเช่นใดนะ ที่เป็นมรรคมีองค์แปดที่นำไปสู่พระนิพพานได้ส่วนคำว่าดับนิโรดนิโรดนี่ก็มีหลายนิโรดนี้ก็เป็นคำธรรมดาใช่ไหมนิโรกก็แปลว่าดับดับดับอะไรล่ะก็พูดถึงว่าความดับเป็นไนะมาดูความพิเศษของคำว่าดับความดับด้วยภาวนาฝ่ายตรงกันข้ามดับด้วยภาวนาฝ่ายตรงกันข้าม ความดับตามสภาพของตนแห่งสังฆตะธรรมความดับความรักนะนะดับความโกรธดับมานะดับความลบลูดับปราศตีเสมอดับความริษยาดับความตรนีดับกิเลสอันนี้เรียกเป็นการแจกเอาคำว่าดับเลยละอย่างมาเช่นว่าถ้ามีการเจริญภาวนาเจริญเมตตานี่นะก็เป็นการดับอะไรดับโทสะถ้าเจริญอนาปานสติเป็นการดับ มิตกนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยนะเป็นการดับในสิ่งที่ตรงกันข้ามหรือดับตามธรรมสภาวะของมันเองเช่นสังขารเกิดขึ้นแล้วมันถาวรไหมไอความไม่ถาวรแห่งสังขารความแตกทําลายไปแห่งสังขารเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเรียกว่าอานิจจังอนิจจังอันนี้เรียกว่าดับตามสภาพอุป า, าทถีติพังคะอพังฆะก็คือดับไปอันนี้เรียกว่าดับตามสภาพของมันแล้วดับธรรมดาถ้าดับราคะล่ะ ดับราคะดับโทสะดับมานะดับมัคคะความลบลู่ดับปรา萨ตีเสมอดับความริษยาดับความตระหนี่ดับความกิเลสอันนี้ไปลว่าเอาความดับเหล่านั้นมาแจกเช่นอะโสดาปฏิมักดับอะไรได้บ้างสกอทาคามิมักดับอะไรได้บ้างอนาคามิมักดับอะไรได้บ้างอรหัตมักดับอะไรได้บ้างด้วยอนุภาพของมักที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะดับอะไรได้บ้างการที่เอาความดับเหล่านี้มาแจก อย่างนี้เรเรียกว่าเป็นความพิเศษเนี่ยนะเป็นความพิเศษที่แตกต่างกันออกไปที่ที่บอกว่าอะไรนะทุกเป็นคำสามัญการเอาทุกมาแจกวารุทุกว่าความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังก็เป็นทุกไม่ว่าจะเป็นความทุก ด้าโดยย่อคือขันธ์ห้าเป็นตัวทุกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคือตัวทุกขทีนี้คําว่ารูปเนี่ยนะรูปก็เป็นทุกอันนี้ก็เป็นคําสามัญคําว่ารูปก็เป็นคําสามัญถ้ารูปเป็นฉไหนมาดูความหมายพิเศษของรูปรูปเป็นฉนัยรูปคือรูปที่อาศัยรูปที่เป็นหมู่แห่งมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ เรียกว่าอุปาทายรูปเนี่ยนะอุปาทายรูปก็คือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่อันนี้เป็นคำถือว่าพิเศษใช่ไหมถ้าสามัญก็คือรูปเป็นฉไนอันนี้เป็นคำสามัญและการมาแจกว่ารูปคือภูตรูปและอุปาทายรูปก็เริ่มพิเศษขึ้นนี่ภูตรูปเป็นฉไนกระจายต่อไปอีกใช่ไหมภูตรูปมีสี่ประการคือปัทวีธาตอาโปธาตเตโชธาตและวาโยธาต การกําหนดาธาตุเหล่านั้นก็เป็นการกําหนดแบบย่อแบบพิสดารคิดว่ากําหนดาธาตุโดยอาการสองโดยสังเขปและโดยพิสดารนะโดยสังเขปก็คือเนี่ยปฐวีอาปโปเตโช ว, วาโยโออย่างนี้ย่อมากเลยใช่ไหมแต่พิสดารล่ะปฐวีถ้าจําแนกโดยพิสดารมี20่สิบอาโปโดยพิสดารมี12ตเตโชโดยพิสดารมีสีวาโยโดยพิสดารมี6เนี่ยนะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอามาจำแนกโดยพิสดาร้าดินน้ำไฟลมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอันนี้สังเกตยอ่อแต่ถ้าพิสดารก็ปฐวี20อาโป12เตโชสแล้วก็วายโยอหกปฐวีธาตุโดยพิสดาร20มีอะไรบ้างอะไรบ้างโดยพิสดาร20ก็มี ผมในกายนี้ในอยู่ในกายนี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกผมขนเล็บฟันหนังอน น, นี้นี่ก็เรียกว่าอะไรผมขนเล็บฟันหนังเขาเรียกตาจะปัญจกะเนี่ยนะหมวดห้อ่าหมวดทำห้ามีหนังเป็นที่ห้าก็ได้นะมีหนังเป็นที่ห้าก็คือผมขนเล็บฟันหนังนะแล้วก็มีไตเป็นที่ห้าก็คือวกะปัญจกะก็คือเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไต ส่วนมีปอดเป็นที่ห้าปับภาษะปัญจกะก็คือหัวใจตับพังผืดม้ามและปอดส่วนมัทลุงขะปัญจกะก็มีอะไรไสใหญ่สายรัดไสาอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็มันสมองในกระโหลกศรีรษะเนี่ยนะเยื่อสมองก็คือมันสมองในกระโหลกศรีรษะนั่นแหละปันยี่สิบเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่ปัญจกะปัญจกะละห้า น, นะห้าี่ยี่บอ่ะนะผมคนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ซายรัดไส้อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อเยื่อสมองในกระโหลกศีรษะเนี่ยส่วนอาโปธาตโดยพิสดารมี12อาโปธาตโดยพิสดารมี12 12อะไรบ้างในการนี้น้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดเงือมันค้นอันนี้เรียกว่าเมธาฉักระ ครีแบ่งเป็นหมวดหกเนี่ยนะมีมันข้นเป็นที่หกก็คือมีดีสเลตน้องเลือดเงือมันข้นแล้วก็มีรับพเอมุตตะฉักะมุตตะฉกะก็คือมีปัสสวะเป็นที่หกมีอะไรบ้างน้ำตาน้ำเหลืองน้น้ำลายน้ำมูกไขข้อแล้วก็น้ำปัสสาวะนี่นะน้ำตาอ่าน้ำน้ำเหลืองตัวนั้นน้ำมันเหลวนะ คืออะไรนะมันเหลวอ่ะนะมันเหลวที่มันไหลซึมออกมาเปื้อนเครื่องมันเหลวอะไรนะน้ํามันข้นกับน้ํามันเหลวน้ํามันเหลวเช่นเวลาเช็ดเหงื่อแล้วก็มีน้ํามันติดคราบมาด้วยเนี่ยนะก็ไม่ถึงกับน้ำมันพายนะไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกตะคนเขาไม่เรียกน้ำมันพายอะไรนะสรุปว่าอาโปธาตุโดยพิสดารมี ดีสเลตเลือดน้องเหงื่อมันค้นน้ำตาน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูกไขข้อแล้วก็ปัสสาวะส่วนเตโชธาตเตโชธาตเตโชธา ต, ต, โ, าตโดยพิสดารมีอยู่4ประการ4ประการมีอะไรบ้างเตโชธาตที่เป็นเหตุให้ร่างกายร้อนเนี่ยนะก็คืออุณหภูมิโดยปกติของร่างกายนะอุณหภูมิโดยปกติของร่างกายคนละ30มสบองศาเนะี่ยเตโชธาตที่เป็นเหตุให้ชราสุดโทม มีตัวหนึ่งนะี่ทำให้มันแก่โลงแก่ลงเผาจนชราหมดนะเผาซะเฉาหมดเลยอะ่ะเผาสนังเนี่ยเฉาไปหมดเพราะมันทําให้เหมือนกับอะไรนะีมันต้มถะเดือดหมดเลยอะ่ะซุดหมดเรียกว่าทําให้ร่างกายสุดโทมไปเรื่อยๆแล้วก็เตโชท่าที่เป็นเหตุให้เกิดความเร่าร้อนอันนี้ก็เตโชท่าที่ทําให้ป่วยไข้อ่ะนะป่วยไข่จนไข้ขึ้นสุดสุดท้ายก็เตโชท่าที่เป็นเหตุ ทำให้สิ่งที่กินเดิมเคี้ยวลิ้มเลื่อลิ้มรสไปแล้วถึงความย่อยไปได้เตโชธาตที่ช่วยย่อยอาหารช่วยย่อยอันนี้เรียกว่าเตโชธาต์อย่างพิสดารสี่ประการวาโยธาตวาโยธาตโดยพิสดารมี6ประการวาโยธาตหกมีอะไรบ้างลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมที่อยู่ในช่องท้องลมที่อยู่ในลำไส้ ลมที่พัดไปทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ทำให้ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวไปได้เนี่ยนะแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ท่าลมหกประการพัดขึ้นเบื้องบนเช่นทำให้เรอเป็นต้นก็ทำให้เลือดไหลเวียนขึ้นข้างบน น, งนะนะเบื้องล่างก็คือทำให้ลมไหลเวียนลงไปเบื้องล่างในช่องท้องในช่องท้องนี่อย่างหนึ่งกัดที่ลาไส้นี่ก็อย่างหนึ่งนะก็ลาไส้ก็เช่นทาให้ลาไส้มันอะไรนะ มันบีบรัดลำไส้อะนะทำให้ขย่อนทําให้อะไรทั้งหลายแหล่ในนั้น่ะลมพัดทั่วร่างกายก็คือทำให้ขยับขยืนเคลื่อนไหวกับพริบตาอะไรเป็นต้นได้แล้วก็ลมหาย ใ, ใจเข้าลมหาย ใ, ใจออกเมื่อกําหนดเปรียบเทียบตรวจสอบอย่างลงพิจารณาจะใช้คำไหนใครถนัดอะไรก็ว่าไปชอบคำว่ากําหนดก็ว่าไปเปรียบเทียบหรือหรือตรวจสอบอย่างลงพิจารณา ธาตุทั้งหลายทั้งโดยสภาวะลักษณะโดยพิสดารสภาวะของแต่ละอย่างนะสภาวะไม่ว่าจะโดยสีโดยกลิ่นโดยสันฐานโดยโอกาสโดยประฉดโดยการตัดต่อนะโดยองค์ประกอบทั้งภูตรูปและอุปาทายรูปเพราะันเมื่อมีการพิจารณาสภาวะเหล่านี้ทั้ง42โดยพิสดารแล้วย่อมไม่เห็นกายก็ดีส่วนแห่งกายก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรถือเอา ก, ก็จริงอ่ะนะแม้กระทั่งร่างกายของเราขอให้มันหลุดจากกายเราเราเองยังไม่เอาเลยนะตอนที่มันอยู่กับตัวนี้มันหวงมันแทนทนุทน้ทนอมอุย้ยใครจะมาจับหน่อยไม่ได้นะจับผมเราดูนี่เดินมาเฉยๆมาจับผมเราเล่นดูเอาชอบไห ม, ไมเอาแต่ถ้ามันตกไปแล้วนะอุย้ยเอาไปไกลๆเลยนะกวาดรีบกวาดรีบเช็ดรีบเอาให้ออกไปเลยอย่างนั้นนะถ้ายังอยู่ในกายก็เพลิดเพลินติดใจมากแต่ถ้าหลุดไปจากกายแม้กระทั่งของเราเองเนะี่ยที่หลุดจากกายไปแล้วเราก็ยังไม่อยากจะมองด้วยซ้าไป ของตัวเองทแท้ๆเลยนะก็ไม่ใช่ของคนอื่นอะไรเพราะว่าเมื่อพิจารณาตรวจสอบแล้วก็ไม่ควรจะถือเอาเปรียบเหมือนอะไรนะอามากัจชยนะเปรียบสะเจ็บเหมือนกันบุคคลเมื่อพิจารณาค้นหาน้ําครามก็ไม่พึงเห็นอะไรอะไรที่ควรถือเอาฉันใดน้ําครามก็คือน้ําอะไรน้ําเสียนะท่อน้ําเสียทั้งหลายเนี่ยบ่อน้ําครามที่ ท, ท, ที่ทิ้งน้ําเสียทุกชนิดเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาใช่ไหม เมื่อค้นหากองขยะเน่านะก็ไม่เพิงเห็นอะไรอะไรที่ควรถือเอาฉันใดเมื่อค้นหามหาเวจจกุตีค้นหาเวจจกุตีเนี่ยนะก็คือไปดูที่หลังส่วมนะก็ไม่มีอะไรที่ควรจะถือเอาเนี่ยนะเมื่อค้นหาที่ซากศพทั้งหลายก็ไม่เห็นอะไรอะไรที่ควรถือเอาฉันใดเมื่อกำหนดเมื่อเปรียบเทียบตรวจสอบอย่างลงพีจาจรณาธาตุทั้งหลายโดยสภาวะและโดยพิสดาร ไม่อาการสี่สิบสองเหล่านี้ก็ไม่เห็นกายส่วนแห่งกายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ควรถือเอาแม้ฉะนั้นขันกายยานุปัสนาสติปฐานก็คือที่จบของการเจริญนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การเห็นโดยความเป็นของปฏิกูลโดยอสุภะโดยเป็นของที่ไม่ควรถือเอาเป็นที่สุดรอบเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าก็แลปัทวีธาตอันเป็นภายในก็ดี ปัทวีธาต์ภายนอกก็ดีนี้ทั้งหมดนั้นก็ชื่อว่าเป็นปัทวีธาตเพิ่งเห็นธรรมชาติเหล่านี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบสั ม, มับปัญญาญาทัธพังเนี่ยนะเห็นด้วยวิปัสนาปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านี้ไม่ใช่ของเรานี้ไม่ใช่เรานี้ไม่ใช่อัตตาของเรานี้ไม่ใช่ของเราก็คืออะไรนี้ทุกนี้ไม่ใช่เราก็คือนี้อนิจจังนี้ไม่ใช่อัตตาของเราก็คือ อนัตตาก็เห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาพอไม่เห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อเห็นสิ่งนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาสนิพิทาในปัทวีธาตุาาตทั้งมวลก็เกิดขึ้นเบื่อหน่ายทั้งวิปัทวีธาตุภายในและภายนอกย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดจากความยึดถือในปัทวีธาตุ ถ้าจะยึดถือปฐวีธาตุยึดว่าอย่างไรยึดว่านี้ของเรานี้เรานี้อัตตาของเราผู้ที่เจริญหรือผู้ที่อบรมปัญญาพิจารณาด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงก็ไม่เห็นอะไรที่จะควรเป็นที่ยึดถือว่าว่าอะไรว่าของเราไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราสิ่งใดที่สิ่งเหล่านี้ที่ไม่เรียกว่าของเราเนี่ยนะ ถ้าเราเป็นมะเร็งเนี่ยนะเราอยบอกว่าของเราไหมทําไมอ่ะแหมมันนามาซึ่งความทุกเกินกว่าที่จะเรียกว่าเป็นของเราเนี่ยนะมันนํามาซึ่งความเป็นทุกข์อะไรก็ตามถ้านํามาซึ่งความทุกข์นามาซึ่งความเดือดร้อนเราอยากเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นของเราไหมผมขนเล็บฟันหนังปฐวีธาตุเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะมันนํามาซึ่งความความทุกข์แล้วก็ความเจ็บปวดเมื่อนํามาซึ่งความเจ็บปวดเราก็ เราก็ไม่ไม่ต้องการที่จะสำคัญว่าเป็นของเราแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ของเราอ่ะต้องถือเอาไว้สิเอาไปเอาไปด้วยไมชาตนะนะไม่หรอกไม่ต้องแตะอะไรนะในร่างกายในลองไม่มีการถ่ายออกเลยนะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ให้มันอยู่อย่างเงี้ยตลอดไปเอาไหมถ้าหลายรูปที่บวชมา น, นานๆมาว่าถ้าห้าอ่สิบห้าวันไม่โกนผมนี่ยอยู่เดือดร้อนนะ่ะมันคันคันคันคันคันศีรษะนะ แต่จริงๆว่าก็แก่แล้วด้วยนะนก็ผมหงอกบ้างเลยคันก็โกนประจำเหมือน ก, ก็ก็เป็นอย่างนี้แหละนะท่านผู้ที่พิจารณาตามเป็นจริงก็ยังยังจิตให้เบื่อหน่ายในปฐวีธาตุเนี่ยนะยังจิตให้เบื่อหน่ายในปฐวีธาตุเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดก็เลิกยึดถือว่าว่าเป็นของเราว่าเป็นเราและว่าเป็นอัตตาของเราแต่ตรงกันข้ามผู้ที่ไม่เคยเจริญเนี่ยตามเห็นว่า เป็นเราว่าเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราเนี่ยนะข้อปฏิบัติเพื่อสร้างวัตตะง่ายมากคิดแบบปกติที่เราเจริญอยู่แล้วนั่นแหละเอา้าเราเคยรักษาว่ายังไงเราเคยคิดยังไงก็คิดอย่างนี้ให้มันตลอดไปไม่ต้องเปลี่ย น, ปยนแปลงนั่นแหละคือวิธีสร้างวัตตะแต่รวมๆแล้วไอ้วิธีคิดเหล่านั้นก็นั่นเรานั่ น, น, นของเรานั่นอัตตาของเราถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าล่ะ ก็มาจำแนกเลยผมคนเล็บฟันนั้งเนื้อเอ็นกระดูกยี่ในกระดูกไตหัวใจตับพังผิวม้ามปอดลำไส้ใหญ่สายรัไส้อาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองในกระโหลกศีรษะเมื่อมีการพิจารณาไข้ครวญทั้งโดยอะไรโดยภูตรูปและโดยอุปัตยรูปพิจารณาโดยสีโดยกลิ่นโดยปริเฉดโดยการตัดต่อโดยตอนโดยวัยโดยอายุโดยความเสื่อมโดยความแตกทําลายโดยความกระจัดกระจายถ้ามีการพิจารณาอย่างนี้อย่างละเอียด ครบถ้วนทั้งหมดก็ไม่เห็นว่ามันจะพอจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นอัตตาของเราฮะไม่เจอแม้แต่นิดเดียวเมื่อพิจารณาอย่างนี้ก็ย่อมเบื่อหน่ายในยปัทวีธาตใช่ไหเบื่อเลยนะเมื่อใดเนอะจะเห็นอะไรนะพระพระพิสุรูปหนึ่งท่านสอนให้เจริญกรรมฐานว่ามองเห็นปัทพีทั้งสิ้นเป็นกระดูก น, นะถ้าถ้าใครที่เจริญได้ตามนี้จริงนะ มองเห็นปัทภีทั้งสิ้นเป็นกองกระดูกถามว่าวัตถามันน่าเบื่อหน่ายไหมเหยียบกระดูกไปเรื่อยนอนทับกระดูกกระดูกก็ทับกระดูกกระดูกไปเรื่อยกระดูกไปกระจัดกระจายอยู่ที่ไห น, โ น, โนเนาะอย่าง น, นีถ้าคิดอย่างนี้ในที่สุดในย่อมเบื่อห น, น่ายเอ๊ะถ้าคิดอย่างนี้ชีวิตก็แห้งแล้งเต็มทีสิบางคนก็กลัวนะว่ากลัวชีวิตจะแห้งแล้งไร้รสชาติเหมือนกันแต่จริงๆก็ดูว่าถ้าเพลิดเพลินในในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเท่ากับเพลิดเพลินวัตถาถ้าเพลิดเพลินวัตถาจะพ้นจาก วัตตะเหล่านี้ได้ไหมพ้นจากกองทุกเหล่านี้ได้ไหมก็คิดดูนะว่าปัจพีในโลกนี้เป็นที่เป็นป่าช้าของสัตว์ทุกแห่งในโลกนี้คือป่าช้าทั้งนั้นแหละเมื่อทุกแห่งคือป่าช้าที่ไหนไม่ใช่กระดูกอันนั้นก็มีแต่กระดูกเนื้อเลือดอันนะ้มีแต่กระดูกมีเนื้ อ, ม, อมีเอ็นเป็นต้นมีผมขนเล็บกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดที่ไหนไม่มีผมมั่งที่ไหนไม่มีขนอะนนั้นเฉพาะในห้องของเราทั้งหลายมันก็หลุดมันก็ร่วงอยู่ใน ถ้าไม่ปแบบัดไม่กวาดเขาบอกว่าวิธีว่าสังเกตดูนะว่าวัน ว, น, วนหนึ่งนี่มันร่วงเท่าไหร่เขาก็ไม่กวาดท้องนะเย็นกวาดทีเดียวแล้วก็มานับดูมานับดูมันจะรู้ว่ามันร่วงเท่าไหร่นะมันหลุดวันละเท่าไหร่เป็นต้นที่ที่เขาเก็บสถิติพวกนี้มันสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้ธาตุแล้วก็มันก็เกลือกล่อนกล่นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดแล้วก็ของสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อพิจารณาเต็มที่แล้วก็ย่อมยังจิตให้เบือหน่ายขณะเดียวกันต้องรู้ว่าถ้าเพลิดเพลินมีโทษอย่างไร ถ้าคลายกำหนัดถ้าเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้ดีอย่างไรเนี่ยนะจะต้องหากําไรจากสองส่วนนี้ให้พบเนี่ยนะถ้าไม่เอามาแยกสองส่วนนี้ให้ดีเนี่ยเราเลือกจะเจริญอะไรเชื่อไหมไม่เลือกคิดตามพระพุทธเจ้าหรอกเนี่ยนะเราเลือกเจริญตามใครดีตาพญามานตามกิเลสมานมันกระซิบบอกเลยนะเราจะเจริญตามฝ่ายมานันเราจะไม่คิดแบบพระพุทธเจ้าเพราะันเราต้องเปรียบเทียบ ว, ว่าถ้าผู้ที่ยังจิตให้เบื่อหน่าย คลายกำหนัดบรรลุอริยมรรคตัดฉันนราคาในมหาภูตรูปเป็นต้นเนี่ยดีอย่างไรผู้ที่ติดขอ้องเพลิดเพลินในภูตรูปเป็นต้นนั้นน่ะเสียหายอย่างไรเป็นต้นนี่ต่อไปก็แลอาโปาธาตุไม่ว่าจะเป็นภายในอาโปาธาตุภายในก็คืออะไรอาโปาธาตุภายในอันน้นน้ำดีน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำมันน้ำเหงื่อมันข้นน้ำมันเลี้ยว น, น้ำ ลายน้ำมูกน้ำไขข้อและปัสสาวะอันนี้เรียกว่าอปโธธาต์ภายในอโปธาต์ภายนอกอปโธธาต์ภายนอกคืออะไรก็คือน้ํานอกตัวทั้งหมดที่มันไม่ใช่ในตัวเราเรียกว่าภายนอกเมื่อพิจารณาให้ดีๆน้ําภายในกับน้ําภายนอกมันต่างกันตรงไหนน้ําภายในเนี่ยนะมันเป็นระบบไหลเวียนใช่ไหมอีกพักหนึ่งเป็นน้ําตาอีกพักหนึ่งไปเป็นน้ําเลือดอีกพักหนึ่งไปเป็นน้ําเหลืองอีกพักหนึ่งก็กลายเป็นน้ําหลือน้ําลายอะไรก็ไหลไหลเวียนๆอยู่ในนี้แหละเห็นไหม โอ้ระบบเนี่ยมันประหยัดมากเลยนะมันไม่ใช่ปล่อยออกง่ายๆหรอกประหยัดมากอันนี้เป็นอโปทาต์ภายในและอโปทาต์ภายนอกล่ะอโปทาต์ภายนอกมันก็เคยเกิดในภายในอโปทาต์ภายในเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในภายนอกมันก็หมุนเวียนระบบเนี่ยแล่กันใช้ไปอย่างนี้แหละพูดแบบนี้ก็บอกว่าอะไรนะสะสมพลังสะสมเนี่พลังงานไม่หายไปจากโลกมันก็เวียนเวียกันเปลี่ยนกันใช้ไปอย่างนี้นะแปลจากพักมาเป็นน้ำตาลอีกพักไปเป็นน้ําทะเลไปเรียบร้อยแล้ว อีพักหนึ่งกลั่นมาเป็นน้ําดื่มเนี่ยนะก็ดื่มก็เวียนๆอยู่นี่แหละนั้นอาปโปธาตุไม่ว่าจะเป็นภายในหรือเป็นภายนอกคนที่พิจารณามีปัญญามากๆเนี่ยนะเห็นเลยเห็นน้ําทะเลเท่ากับน้ําเหงือ่อเพราะคนที่ทํางานเนี่ยนะอาบเหงือต่างน้ําท่วมเงือท่วมก็เป็นน้ําเกลือใช่ไหมก็ต่างอะไรจากน้ําทะเลก็เค็มๆเหมือนกันนั่นแหละ อันนี้ในหนึ่งในหนึ้ำตาที่เสียใจไปเสียใจที่ไหนมั่งที่สัตว์ไม่หลังน้ำตามีไหมมีอะไรมั่งที่สัตว์ทั้งหลายไม่หลังน้ำตาออกมามีอะไรบ้างหาดูเถอในโลกเนี่ยที่ที่ไม่เป็นที่หลังน้ำตาไม่มีันทุกคนเนี่ยนะเป็นที่หลังน้ำตาของอีกหลายคนเนี่ยนะแล้วก็เป็นที่หลังน้ำตาให้แกตัวเองด้วยเหมือนกันนั่นแหละสรุปว่าน้าตาก็เท่ากับน้าทะเลเนี่ยนะได้อะไรน้าอะไรอีก น้ำเลือดที่สูญเสียเลือดเนี่ยนะบาดแผลละเลือดไหลเป็นต้นเนี่ยเลือดที่สูญเสียไปเพราะเป็นนักโทษประหารเพราะถูกเคี่ยนถูกตีถูกกรีดอุบัติเหตุสรุปรวมๆ ว, ว่าน้ําเลือดที่ไหลออกไปมากกว่าน้ําทะเลน้ํานมที่ดื่มกินก็มากกว่าน้ําทะเลถ้าพิจารณาก็จะเบือดด่อารายอาโปธาตุภายในเบื่อหน่ายในอาโปธาตุภายนอกก็คือเห็นตามความเป็นจริง ว่าน้ําธาตุน้ําเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะเมื่อพิจารณาอย่างนี้ย่อมเบือหน่ายคลายกําหนัดในอาโปธาต์เตโชธาตภายในก็ดีเตโชธาตภายนอกก็ดีเตโชธาตภายในมีอะไรบ้างธาตุไฟที่ทําให้ร่างกายร้อนเนี่ยนะเป็นเหตุให้ร่างกายร้อนก็คืออุณหภูมิโดยปกติในร่างกาย เตโชธา ท, ที่ทําให้ร่างกายสุดโทมแก่ชราลงทุกวันเนี่ยนะแล้วก็เตโชธาที่ทําให้ร่างกายเร่าร้อนป่วยไข้กับเตโชธาตที่ช่วยย่อยเตโชธาตทั้ง4ประการเรียกว่าเตโชธาตภายในและเตโชธาตภายนอกไฟไฟภายนอกมีอะไรบ้างก็ไฟฟ้าไฟฟืนไฟแก๊สไฟแก๊สหงสต้มอะไรทั้งหลายก็คือไฟภายนอกทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกก็คือเตโชธาท พิจารณาเห็นเตโชธาตทั้งหมดเหล่านี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบคือถูกต้องว่านี้ไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นอย่างนี้นี้ไม่ใช่อัตตาของเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ด้วยปัญญาอันชอบย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตย่อมยังจิตให้คลายกำหนัดในเตโชธาตก็บอกว่าไฟหุงข้าวกับไฟไม่สบต่างกันตรงไหน light. ไฟเผาสบต่างกั น, นไหม ไฟไฟที่ไหมในเทียนกับไฟที่ ไ, ไม่ไม่อะไรนะน้มันใช่ประทีบน้ำมันกับไฟไหมศบต่างกันตรงไหนเมื่อพิจารณาจนว่าไฟทั้งมวลเหล่านี้ล้วนแต่ไม่มีความแตกต่างกันก็เห็นความเป็นปฏิกูลของธาตุไฟเหล่านั้นเป็นต้นน่ะ ส่วนวาโยธาต์วาโยธาด์ภายในก็ดีวาโยธาต์ภายนอกก็ดีวาโยธาต์ภายในลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในช่องท้องลมในลำไส้ลมพัดทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าวาโยธาต์ภายในวาโยธาต์ภายนอกพัดลมลมพัดใบไม้ลมเหนือลมใต้ลมออกลมตะวันตกลมบนลมล่างไอพวกนี้ทั้งลมทั้งหลายแหละเนี่ยเรียกว่าลมภายนอก ทั้งลมภายในและธาตุลมภายนอกวายุันนะัก่อนเรียกคุยกับแขกว่ากันะปฐวีเรียกอะไรนะปฐวีอาโปเตโชวายุแต่ว่าลมนี่เขาบอกวายุวายวนนุเขาเรียกว่าวายุอันวายุกับวา ย, ยอนเดียวกันเลยแหละเอาเสอเป็นสอแค่นั้นไงอ้วันวายโยธา ทั้งภายในทั้งภายนอก Tree lk, ก็เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าธาตุลมเหล่านั้นวาโยธาเหล่านั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็เมื่อเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วเห็นชอบเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ใช่ของเราเป็นทุกขานุปัสสนาใช่ไมมใช่เราเป็นอะไรอนิจจานุปัสสนาม่ใช่อัตตาของเราก็เป็น อนัตตานุปัสนาอณิจารุปัสนาทุกขานุปัสนาอนัตตานุปัสนาที่บริบูรณ์ย่อมยังนิพิธาให้บริบูรณ์วิปัสนาทั้ง4ี่ประการที่บริบูรณ์ย่อมยัง อ, อะไรวิราคานิโรธาและปฏินิสัก ข, ขาให้บริบูรณ์เมื่อปฏินิสัก ข, ขาบริบูรณ์ก็ยังอริยมรรคให้เกิดขึ้นตัดความายังจิตให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในวาโยธาตการมาแบ่งประเภทจำแนกอย่างนี้เป็นความ พิเศษอัน น, นี้เป็นการยกเอารูปมาแสดงอย่างคำว่ารูปนี่เป็นคำสามัญแต่เอารูปมาแสดงเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปภูตรูปมี4ภูตรูปทั้ง4ี่ในแบบย่อและแบบพิสดารแบบย่อก็มีเนี่ยแหละปฐวีอาโปเตโชและวาโยมาแสดงพิสดารก็เป็นปฐวี20่อาโป12เตโช4ีวาโย6 แล้วก็พิจารณาแต่ละอย่างโดยสีโดยกลิ่นโดยรสโดยโอกาสโดยปริเชตก็พิจารณาจนเหมือนกับว่าพิจารณาไครครวนอย่างละเอียดเห็นอาโปธาตเหมือนน้ำคล้ำเห็นปฐวีธาตเหมือนกองขยะยเห็นกายเนี่ยเป็นที่หมักหมมเช่นกับเวชกุตีหรือเห็นเหมือนเห็นซากศพเป็นต้นถ้าพิจารณาจนเห็นธาตุภายในธาตุภายนอก ว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็ยังจิตให้เบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในท่าเสกการพิจารณาได้อย่างพิสดารการยกมาแสดงอย่างพิสดารอย่างนี้เรียกว่าเป็นการแสดงโดยพิเศษอันนี้เป็นวัตถุ ป, ประสงค์ของกายานุปัสนาการพิจารณากายานุปัสนาที่สุดคือการพิจารณาแค่ไหนจึงจะเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในภูตรูปและอุปาทายรูปพิจารณาอย่างไรจึงจะ เห็นพิดภัยทุกโทษของภูตรูปและอุปาทายรูปสรุปว่าถ้าเรามีท่าศีเป็นอารมณ์เนี่ยเราจะพ้นจากท่าศีไหมใจถ้ายังเกาะเกี่ยวอยู่กับท่าศีจะพ้นไปจากท่าศีไหมแล้วปัญหาในโลกนี้มีปัญหาอะไรที่พ้นจากท่าศีมีไหมในโลกนี่มันมีแต่ดินน้ําไฟลมอยู่แค่ น, นี้ทะเลกกาะกันเรื่องดินน้ําไฟลมอาจจะดินดินน้ําไฟลมปัญหาอย่างปัญหาใหญ่ใหญทะเลกกาะกันก็สึกชิงแผ่นดินอย่างไงยนะ ศึกชิงน้ำบ้านเมืองที่กันดานน้าแห่งแรงน้ํำทะเลาะกันแต่เรื่องน้ำเนี่แหละประเทศไทยเราก็ไม่ใช่น้อยนะทะเลาะกันเรื่องน้ําทะเลาะกันเรื่องไฟทะเลาะกันเรื่องลมสรุปว่าทะเลาะกันเรื่องดินน้ํำลมไฟทะเลาะกันเรื่องสีก็เพราะอาศัยสีของดินน้ํำลมไฟทะเลาะกันเรื่องเสียงก็มาจากดินน้ําไฟลมสรุปว่าในโลกนี้การแสวงหาความปรารถนาความต้องการก็คือดินน้ําไฟลม จากดินน้ำไฟลมไปสู่ดินน้ำไฟลมและดินน้ำไฟลมมีปัญหาอย่างไรบ้างแผ่นดินไหวก็คือเขาบอกว่าอะไรที่มันใหญ่ๆที่มันเสียหายมันพ้นอะไรเกินแผ่นดินมีไหมเกี่ยวกับเรื่องดินนี่แหละแผ่นดินไหวใช่ไหมคนเขาบอกว่าเหตุให้ตายที่สุดเนี่ยก็คือเนี่ยเหตุที่ทําให้ฆ่าคนได้มากก็คือดินน้ํำลมไฟเนี่ยมีอยู่สอย่างเนี่ยดินนี่เป็นเครื่องฆ่าใช่ไหมแผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหวเป็นต้นอันนี้ก็ตายเยอะสองต่อไปน้ําท่วมก็ตายเยอะไฟไหม้ก็ตายเไไายอะลมมาลมพัดก็เป็นเหตุให้ตายเยอะเหมือนกันทีนี้อัน น, นี้จากภายนอกนะแล้วสาเหตุแห่งความตายในร่างกายของเราก็ดินน้ําไฟลมนี่แหละปฐวีโรคปฐวีธาตุโรคอาโปธาตุโรคเตโชธาตุแล้วก็โรควายโยธาตุเนี่ยนะสรุปว่าแต่ละอย่างนี่เป็นเหตุให้ มหาภูตรูปหนึ่งข้ามหาภูตรูปสามหาภูตรูปสามข้ามหาภูตรูปหนึ่งมหาภูตรูปสองข้ามหาภูตรูปสองมันค่ากันอยู่นั่นแหละอา้าวพระพุทธเจ้าบอกแล้วไม่ใช่หรอว่าเหมือนกับอสอรพิษเนี่ยนะเหมือนอสอรพิษเลี้ยงยังไงมันก็ไม่เชื่อนะนะให้กินข้าววันละกี่ครั้งดีวันละสามครั้งใช่ไหมให้น้ําอีกตามที่มันต้องการะนะอยากเดินมันก็เดินให้มันอยากยืนเป็นต้นดูแลเอาเอ า, เอาใจมันทุกอย่างยิ่งดูแลมากยิ่ง เดือร้อนมากนะยิ่งจะดูลงเรือนดูแลไปจนถึงอายุ80จะเป็นยังไงนนยิ่งดูแลมาตั้งนานเนี่ยนะปรณนิบัติรับใช้โอ้ยให้กินให้ดื่มให้เที่ยวให้ดูแลทุกอย่างไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ไมไม่ใช่หล่อขึ้นอะไรทุกวันเนยิ่งดูแลยิ่งแย่เยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเจนพาน